หน่วยการเรียนที่ 3. หน้าที่เบื้องต้นของเงินแผนการเรียนที่ 1. ความหมายและประเภทของเงินจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายของเงินได้ 2. บอกประเภทของเงินได้อย่างถูกต้องคลิกเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะ